เในคราวเมื่อท่านเจ้าคุณศ า, าสนะโสพลและคณะมมหลวงจิตติมาพักเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2510ณวัดป่าบ้านตาด จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนคำว่ทาวทำ ที่เป็นคุณสมบัติชาแทนนะสำหรับผู้ใคร่ต่อหลักธรรมจรึงเป็นโลกกาบาลหรือเป็นธรรมะโลกกาบาลธรรมคุ้มครองโลก แต่ท่านแยกไว้เฉพาะก็มีเช่นนิริอุทปะปะแปลว่าทำุ้มิของโลกนี้ไปธรรมะโลกมีกว้างมากเพราะนั้นธรรมะจึงเป็นสาธณะแก่โลกทั่วไป แคบก็เป็ น, นรายๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเราก็เป็นโลกั น, นแต่ละบุคคลเป็นโลกเฉพาะตัวเฉพาะตัวด้วยกันดับซะก่อนดับเครบินมาเรามีธรรมะ โรกะบาลเป็นเครื่องป้องกันปุเราดูที่ไหนก็ไม่มีไั่ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องป้องกันตัวแล้วย่อมไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแม้แต่มีสมบัติในบ้านในเรือนก็ยังต้องมีเครื่องป้องกันรักษา ตัวเราเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหาหากว่าขาดเครื่องป้องกันตัวแรงไปไหนก็ว่าวิไม่ทราบจะอะไรต่อสู้เวลามีเหตุจำเป็นอันาวุธเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการสถานที่ฉะนั้นเรื่องเครื่องป้องกันตัวนี้จึงมีไว้หากเป็นมนุษย์เราก็ย่อมจะแทบทุกข์ใ แต่สัตว์เขายัา ง, ง, งกก ม, ยยมีเครื่องป้องกันตัวสุนัขก็มีเขี้ยวสัตว์แต่ละประเภทประเภทมีเครื่องป้องกันตัวเสมอแม้แต่สัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวมีฟันเช่นอย่างใะไรนิ่มเออลิ่นอย่งี้เขาก็มีเปล็ดเป็นเครื่องป้องกันตัวของเขาเรายิ่งเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็ เป็นผู้มีใจสูงกว่าบรรณาสัตว์ที่กล่าวมาจึงควรให้มีเครื่องป้องกันตัวสำหรับเราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านผู้มีธรรมะสนใจใคร่ต่อธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นนักบวชเช่นอย่างพวกเราจึงควรจะมีเครื่องป้องกันตัวไว้อย่างเรียบร้อยเครื่องป้องกันตัวนี้มีหลายประเภทแล้วแต่เราจะนํามาใช้ ให้เหมาะกับเราเพื่อความปลอดภัยแก่เราได้อย่างไรบ้างเราก็ขวน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับหรือรักษาตนเองเราจะมีความปลอดภัยเช่นเราเป็นนักบวชศีลก็เป็นเครื่องป้องกันตัวของเราถ้าเราพยายามรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์มีความระมัดระวังสติ มีประจําอยู่กับคงศีลของตนจะพูดออกมาแต่ละคําให้มีเครื่องป้องกันคําพูดของตัวออกมาว่าการพูดออกไปนี้จะไร้ประโยชน์หรือจะเป็นโทษอีกด้วยเราก็ควรคํานึงจะทําชินใดลงลงไปต้องมีการใคร้ควรถึงเหตุผลดีช่วนได้เสียเสมอ คิดสิ่งใดก็เหมือนกันเช่นนั้นมีใครมีทมเครื่องป้องกันกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตนความประพฤติทุกด้านถ้ามีเครื่องทำเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วจะมีความราบลื่นการกระทาก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำลงไปได้ด้วยความอาจหารไม่สะทสุกธาตุหวาภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการกระทานั่นได้ถูกกรงกลองมาแล้ว จากปัญญาซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันหนึ่งเหมือนกันพูดออกมาคำใดจะเป็นการกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นอย่างใดหรือไม่เฉพาะนักบวชยิ่งเป็นผู้ที่สังรวมระวังตัวเสมอเพราะเป็นแพทยที่มีคุณค่ามากเป็นแพทยที่คนในแดน พ, พุทธศาสนาเขาร็เพื่อมสบูชาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา เราจัดว่าเป็นผู้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบายออกจากเราผู้มีคุณค่าจึงควรทั้งรวมระวังการกรองให้เรียบหน่อยเมื่อสิ่งใดเลยล่วงออกมาจากองค์ของเราผู้มีคุณค่าขอให้เป็นประโยชน์แต่ท่านทูกเกี่ยวขอ้องเก่การการทาอนไดก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคติเครื่องสอนใจบุคคลตัวอื่นพูดออกมาคาใดก็ ให้มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์ผมกับว่าเราเป็นผู้มีหลักธรรมซึ่งเต็นไปด้วยเหตุผลระมัดระวังคำพูดจาของเราหูย่อมคอยจะฟังเหตุผลดีชั่วเสมอสำหรับผู้ฟังการพูดถ้าไม่คำหนึ่งเนีมันก็เป็นการกระเทือนหูคนอื่นได้ก่อนที่จ ะ, ะกระเทือนหูคนอื่นก็คือการกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ตนไปแล้ว เป็นอันดับแรกความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความคิดความปรุงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันกายวาจาของเราให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลักความคิดจึงเป็นหลักใหญ่กว่าการกระทำและการพูดให้เราเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชจึงควรใข้ควรเรื่องความคิดของเราให้ดีจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบไข่คืนเพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สุ ข, ขุมละเอียด ไม่พุนขันไม่โลภโภนไม่ยินไม่โอะอวดแต่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดมีดที่แหลมคมแต่อยู่ในฝักเก็บไว้เรียบร้อยถึงการเวลาที่จะนำออกใช้ตัดอะไรขาดตปหมดได้รับประโยชน์ทุกชิ้นที่มีดเล่ม น, นั้นเป็นเครื่องมือทำมานหมนนั้นมีความรู้ของผู้มีธรรมะ ตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นความรู้ในฝักย่อมเป็นเพศที่งามอยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกก็กลายเป็นของงามไปด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผู้มีธรรมโลกบาลคือเครื่องป้องกันตัวจะอยู่คนเดียวก็มีความสะดวกสบายจะเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็เป็นที่สนิทสนมกลมคืนขึ้นกันแลกันแม้จะจากกันไปก็เกิดความอะไรคิดถึง อพาะนาจเความกระพฤติของตนทั้งกายวาจาใจนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นซึ่งมีความรู้สึกดีชั่วเช่นเดียวกันได้รับจากเราเป็นเหตุให้มีความคิดถึงอะไรนี่คือท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวย่อมมีความพาสุสุขตโตจะไปที่ไหนก็เป็นสุขเป็นสุขและอยู่ที่ใดก็เป็นสุขเพราะผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัว ฉะนั้นทำเครื่องมีผู้มีเราผู้มีทำเครื่องป้องกันตัวจึงเป็นเพศที่เย็นอย่างเพศพระเพศเนนของเราไม่มีเพศใดที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศนี้ไปเพศนี้เป็นเพศที่เย็นและคนอื่นไว้วางใจด้วยคนอื่นก็เย็นด้วยเขาที่ก้าวเข้ามาสื่วัดวาอาวาสของเรายอมมีความเยือกเย็นตั้งแต่เริ่มจะมาจาก้าเริ่มทิดก็เริ่มเย็น เนี่สามีภรรยาจะมีการทะเลาะเปาะแย่งกันดิพอพูดปรารบถึงวัดถึงวาถึงครูถึงอาจารย์แล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบลงไปใจเย็นขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดก็กลายเป็นสถานที่เย็นใจข้อเย็นขึ้นมายิ่งได้ฟังอัดฟังธรรมของพระจักพระสงฆ์หรือครูอาจารย์เก็บให้นคการสอนในสิ่งต่างๆก็ยิ่งได้มีความรื่นเริงบันเทิงเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ฝังใจของประชาชน ชาวพวกของเราอยู่แล้วมาดั้งแต่เป็นเพศที่ไว้ใจเป็นเพศที่เย็นเหตุที่จะเป็นเพศที่ไว้ใจและเป็นเพศที่เย็นก็เนื่องจากมามาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่แกล่งกรองมาแล้วโดยสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แ้่ของผู้ประกาศศ า, าสนาขั้นเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราบริสุทธิ์แล้วประกาศศาสนาธรรมจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ด้วยกันประมุ่น ปรากฏมาจกนกระทั่งถึงตักวันนี้ท่านผู้ใดได้สวมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมหรืน้อมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมจรึงกลายเป็นบุคคลที่เย็นแม้จะเป็นคาวาสก็เย็นอยู่กับหมู่กับเพื่อนมีจํานวนมากน้อยเย็นไปหมดเพราะธรรมชาตินี้มาเดินนิยมมากเป็นหญิงเป็นชาเป็นนักบวชและคารวาสคือธรรมะเย็นไปหมดอยู่กับใครก็เย็นนี่เรียกว่าธรรมะเครื่องป้องกันตัว เราก็ไม่เป็นภัยคนอื่นก็เป็นกุลที่มาเกี่ยวข้องกับกันขอให้ท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายทําความสนใจแก่ธรรมะเครื่องป้องกันตัวอยู่วันไปวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีธรรมะเรื่องป้องกันตัวเสมอให้มีความระมัดระวังว่าตนเป็นเพศกี่สูงสุดในโลกอันนี้และมนุษย์เราเป็นผู้มีคุณค่า เพศอันนี้เป็นเพศที่มีคุณค่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเมื่อนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องรักษาตนเราก็ปลอดภัยนั่งดูก็สามารถจะทํากิจการงานใดๆมีธรรมโล ก, กบาลฮิริโอตปะเป็นเครื่องสะดุ้งตัวต่อสิ่งที่ควรตัวกล้าหาญต่อสิ่งที่เปียเป็นประโยชน์แต่ขยะขยงในสิ่งที่จะเป็นโทษอยู่เสมอแนว่วอยู่ที่ไหนก็เย็น มีท่านเรียกว่าเป็นธรรมโรกบาลในข้อหนึ่งสองข้อโดยกันคือฮิริความละอายแก่ใจสิ่งใดจะเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ทางกายก็ไม่กล้าทําทางวาจาก็ไม่กล้าพูดออกมาทางใจก็ไม่กล้าจะฝืนคิดต่อไปเพราะฝืนคิดไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และยังกลับเป็นโทษด้วยแล้วก็ยิ่งจะเสริมโทษให้มากมูงขึ้นไปนั้นผู้มีฮิริจรึงไม่กล้าจะ ทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และจะให้โทษนั้นโอดตะปะความทะดุ้งกลัวอยู่เสมอเหมือนกับเรากลัวสัตว์ร้ายบาปคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งแค่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเป็นเหมือนกับสัตว์รายเพียงเราเห็นรอยเช่นเสือโคร่องอย่างนี้เป็นต้น ผู้ที่กลัวเสืออยู่แล้วเพียงมองเห็นรอยหรือยังไม่รู้เขาบอกว่านี่รอยเสือตัวดูรายเท่านั้นเขาก็รู้แน่เรายังจะไม่ทราบว่าตัวบาปตับุญคืออะไรก็าตามหลักธรรมของขพระพุทธเจ้าท่านก็ชีมาถึงตัวของเราซึ่งจะต้องได้รับทั้งความสุขความทุกข์ด้วยกันพูด ง, าง่ายๆก็คือว่าความทุกข์นั่นแลหละคือบาปแสดงผล การกระทำเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือบาปขึ้นมาบุญก็คือผลของกุศลธรรมกุศลคือความฉลาดฉลาดสาะแสแงหาคุณงามคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาตาและทางจิตใจไม่เลือกสถานที่การเวลาพอได้เมื่อไรเป็นอันว่าทำลงไปแล้วมีการสาะแสวงที่จะหาผลประโยชน์ในทาง ดีงามแก่ตนเสมอไม่เลือกกา ร, ระฐานที่พอทำได้เมื่อไรเป็นธรรมลงไ ป, ปมีเดียวกุศลคือความฉลาดคนฉลาดพอยอมจะทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนได้หากว่างโง่แล้วจะทำอะไรไม่สำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทำดีผลจะได้ก็ไม่เหมือนคนฉลาดจะทำชั่วก็ยิ่งจมไปเลย เพราะทางโง่นี้ยอมจะไปทางต่าเสมอถ้าปล่อยลงทางต่ําแเ้วไหลไปเลยไม่มีสถานที่จอดแยะลงทะเลหลวงที่กล่าวมานี้คือไม่มีทำเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเราพยายามให้มีทำเครื่องป้องกันตัวของเราเสมอป้องกันทางกายทางวาจาทางความคิดธรรมดาอีก ที่กล่าวเรื่องทำเรื่องป้องกันตัวผ่านมาแล้วยังมีวงกว้างอยู่มากแมอจะพูดเกี่ยวเกี่ยวข้องกับผิดก็ตามนี้เมื่อจะย้อนเข้ามาสู่วงเฉพาะสำหรับใจของเราใจของเราที่มีความฟุ้งเฟอ้อเหอืเหอๆเมกอความยุ่งเหยิมเดือดร้อนให้ตนอยู่ตลอดเวลานี้ ค, คือใจปราศจากเครื่องป้องกันสติก็ไม่มีความจะพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองหรือกั้นกลางห่ว ง, งห้ามจิดใจของเราไม่ให้คิดก็รู้สึกจะด้อยไปหรือว่าไม่มีรอยให้แต่ช่องทางเพื่อจริงที่จะเป็นทราศิษยต่อเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ยอมเป็นเช่นนั้น ผลที่แสดงขึ้นมาก็คือความเดือดร้อนอยู่ภายในใจสมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่คือผู้ปราศจากหรือจิตที่ปราศจากเครื่องป้องกันตรงกันข้ามผู้มีความระมัดระวังรักษาเช่นเรานั่งกรรมาฐานอบรมปิตใจนี้นี่แหละเรียกว่า สร้างเครื่องป้องกันตัวให้มั่นคงจิตใจจะคิดออกแน่ไหนทางใดสอดส่อง ม, มองดูเหตุผลดีชั่วของจิตอยู่เสมอจิตยอมจะยอมจำนวนต่อเหตุผลที่ชอบทำไม่กล้าจะฝืนไปหน้าแม้จะฝืนก็บังก่อไม่นานย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้กลายเป็นใจสมาธิ มีความเย็นภายในตัวนี่คือจิตมีเครื่องป้องกันตัวหน้าเป็นสุขสมายสมาธิจึงเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเฉพาะจิตนี้ขั้นจิตที่มีสมาธิย่อมมีความเยือกเย็นไม่ใครเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเรามีที่พัก แน่จะทําการทํางานก็ทําลงไปถึงเวลาเหนื่อยหรือร้อนก็เข้ามาทักที่พักของเราหรือเราเดินทางพื้นจะร้อนแต่รองเท้าสาหรับสวมเท้ากันร้อนของเราก็มีข้างบนจะแดดมีแดดแผดเผาร่มกัน้นเพื่อกันแดดก็มีฝนตกลงมาจะให้ เกิดความหนาวหรือเปียกร่วมกันฝนคันผู้เดินทางก็ยอมได้รับความสะดวกเพราะมีเครื่องป้องกันตูวจนตลอดสายแต่ผู้ที่ไม่มีเครื่องป้องกันย่อมได้รับความเดือดร้อนทุกๆสิ่งที่มาสัมผัสจะเป็นร้อนข้างล่างกว่าตามร้อนข้างบนกาตามฝนตกลงมาถูกก็าตามจะมีแต่ความไม่สบายทางนั้น เพราะขาดเรื่องป้องกันตัวในเวลาเดินทางจิตใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาจะดีจะชั่วมีแต่เรื่องที่จะทำจิตใจให้ยุ่งเหยิงดวดร้อนไปตามทางชื่อว่าสิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลเดินทางถูกสิ่งส่วมผัสภายนอกไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นที่ถอใจอารมณ์ของใจที่เป็นไปตามยถากรรมก็ย่อมก่อ ความเดือดต้อนให้แก่ตนเสมอแต่อารมณ์ที่เราบังคับเช่นอารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะบังคับให้จิตอาศัยหรือให้จิตทํางานดูกับธรรมะนั้นย่อมเป็นอารมณ์ที่เย็นเช่นเดียวกับเราสวมรองเท้าไปแม้จะหนักบ้างก็าตามแต่คุณค่าแห่งรองเท้ายังมีจนท่วมตัวคุ้มค่ากับความหนักเราถือร่มก็หนักบ้างแต่ว่าคุณค่าคุ้มกัน การกดทนต่อการประกอบหรือการรักษาจิตใจด้วยการภาวนาเป็นต้นแม้จะมีความยากลำบากบ้างก็คุ้มค่ากันเช่นเดียวกันใจที่มีธรรมะเครื่องป้องกันหรือรักษาอยู่เสมอย่อมเป็นใจที่เย็นคิดอะไรก็คิดด้วยค ความใจเย็นทำอะไรก็ทำด้วยความใจเย็นนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปที่ไหนก็เย็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนใจใจหนี่ชื่อใจมีทําเครื่องป้องกันขั้นหนึ่งคือสมาธิในขณะเดียวกันเราก็ใช้ปัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆ ตามขั้นแห่งปัญญาที่จะติดแนบไปกับสมาธิหน้าอีกปัญญาแต่ละขั้นละขั้นและสมาธิแต่ละขั้นพอย่อมเป็นทำเครื่องป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันเป็นชั้นๆของสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิเป็นต้นทุนภายในใจ เราจะประกอบการคิดอ่านไตรตรองเรื่องข้างนอกข้างในเพื่อหเห็นตามหลักความจริงของโลกที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์เราก็พอมีทางจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของสิ่งนั้นๆได้ไม่ว่ากว้างหรือแคบไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตหรืออนาคตความที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ เป็นความจริงด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะเห็นเหตุเห็นผลและปล่อยความกังวลของตนจากสิ่งนั้นๆได้เท่าที่ควรแก่ปัญญาจะอำนวยธรรมะปัญญาเราจะชิดหยับยาบ ถ้าเห็นเราไปเห็นคนตายอี่เราน้องเข้ามาถึงตัวของเราว่าเรื่องความตายนี้เขากับเรานี่ไม่มีใครจะมีน้ําหนักยิ่งกว่ากันไม่เท่ากันเขาตายในวันหนึ่งเราอาจจะตายในวันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จะว่าเป็นปัญญาพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าหากเราไม่เห็นความตายภายในตัวของเราก็ให้บิด ดูปาด่าช้าซะก่อนเพื่อเป็นจับคีพยานแล้วโอปะนาอีโกน้อมเข้ามาหาตัวทดลองว่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันไปดูป่าช้านั้นเป็นปา่าช้าผีดิบธรรมดาของปา่าช้าผีดิบจะมีลักษณะต่างๆทั้งตายเก่าตายใหม่เรื่อนงราดกันไปหมดในป่าช้านั้นๆลักษณะของผีตายที่มีอาการต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องเตือนให้เราได้สติ าตัวของเราก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคนตายเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้พรบนานๆไปหลายชั่วโมงหลายวันเขาก็แปลสภาพไปเช่นเดียวกับที่ตายในปัาฉ้านี้มีความแปลสภาพเป็นลำดับหนับไปเนื่องจากการตายตามเวลำ่ำเวลาลืดตายก่อนตายใหม่ตายทีหลังกันเป็นยังับเราน้่าเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ถึงก็เรียกว่าเป็นปัญญาคือจะมีสภาพเช่นเดียกัน ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่ว่ามนุษย์ชานใดผลุดทายจะต้องเป็นเช่นน้ใจของเราที่มีความฟุ้งเฟอ้เอเหอ่เหิมลืมเนื้อลืมตัวลืมอายุไขไวัยของตนเองก็จะมีทางยับยัง้งให้รู้จักช่างตวงตัวเองได้หาที่พึ่งหรือธรรมนาคนเราถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรจะจำเป็น เมื่อมีสิ่งเข้ามารบกวนได้เกิดความกระทบกระเทือนไม่สะดวกสบายในธานุในฐานจะเป็นเวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็ตามเวลาหนาวมากๆก็ตามเวลาร้อนจัดก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่อาศัยหาที่พึ่งเวลาหิว จ, จัดก็จะต้องหาอาหารมารับฐานนี่เป็นความจำเป็นให้เราเจาะหาเครื่องเยียวยาเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกระหายมากๆ มองเห็นเขาหาบน้ำมากลางทุ่งนาเราก็มีหวังแล้วใจก็เย็นเดินแดดร้อนๆเดินตามทางไปแดดร้อนๆมองเห็นลมไม้พอรู้สึกว่าเย็นใจเลยว่าจะได้อาศัยลมไม้มีใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจปรากฏขึ้นเช่นเราไปดูสภาพของคนตายในฝ่าชาเ้าย้อนมาหาตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอะไรหาอะไรเป็นที่ถึ่งก็ย้อนหาคุณงามความดีนั่นนหละคนที่สนใจในการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหนักเข้าเป็นลําดับหนักและให้ทานด้วยความถึงใจรักษาศีลด้วยความถึงใจเจริญเมตตาภาวนาด้วยความถึงใจเพราะมีสาเหตุที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างถึงกันว่ายังไงก็ไม่พ้นจากเรื่องของเราไปได้ม่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลักของเรา ที่จะหายึดในเวลาจําเป็นในการต่อไปนั้นเราจะยึดอะไรถ้าสภาพร่างกายนี้แตกไปเสียเช่นอย่างที่เราเห็นมีใจของเราจะอาศัยอะไรถ้าหากว่ามีงามความดีก็จะเป็นที่พึ่งถ้ามันมีแล้วก็จะจมนี่คนเราในเสาะแสวงหาที่พึ่งเช่นเดียวกับบุคคลที่ตกน้ําพอตกน้ําลงไปเท่านั้นก็ต้องคว้าหาที่พึ่งแม้ที่สุดไม่มีอะไรจะเกาะซากผีลอยมาขวางขวางหน้า จากกลัวแสนกลัวซากผีก็ตามตามเวลาปกติแต่ในเวลาเช่นนั้นจะไม่เูกคว้าเอาซากผีมาเกาะพอประทังชีวิตเราได้โดยไม่ต้องสะทกสะทานในซากผีเลยเพราะชีวิตมีคุณค่ามากกว่าความกลัวประเภทนั้นะเนื่องจากความกลัวก็กลัวตานั่นเองก็บัตรนี้เราจะตายอยู่แล้วจะไปกลัวซากผีอะไรก็เกาะทันทีนี่ไงใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเรียบหาธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสียแต่บัตรนี้ อยากให้เสียเวลาเวลาลมหายใจผ่านไปวันหนึ่งมันหนึ่งชีวิตจิตใจของเราย่อมผ่านไปสุขภาพก็เคยผ่านไปตามๆกันผ่านไปผ่านไปเมื่อผ่านไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเหลือที่เราว่าสั้งขาร่างกายทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะกลายเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาส่วนหลักของเราที่จะยึดไว้เป็นต้นทุนสําหรับเป็นพืชผลต่อไปในอนาคตมีอะไร เราจะต้องสงใจตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีลงซ่อมกัน ม, มีโรงทําบุญทําทางการเจริญภาวนาทําเสียตั้งแต่บัดนี้การดัดแปงตนเองถ้ามัดัดแปงเสียตั้งแต่เวลาบกค้องนี้สมบูรณ์เนีไม่จําเป็นหรือไปถึงที่จนกรอบเป็นมุมเชี่จริงๆจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาบําเพ็ญไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับบุคคลที่อิตฉาเวลาเป็นโจรเป็นมารพ่อแม่หรือหมู่เพื่อนแนะนําสั่งสอน ถูกนักไว้ไม่ให้ทําเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่พอเจ้าหน้าที่ก็จับได้มัดเข้ไปขังไว้ในเรือนจําแล้วจะไปแก้แคนใคกันเวลาเทนั้นไม่มีทางนอกจากจะปล่อยให้เสวยไปตามกรรมของเขาที่ไม่ยอมเชื่อใครเท่านั้นนี่ใดถ้าไม่ยอมเชื่อทำไม่ยอมเชื่อกำก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันกรรมทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทําลงไปด้วยความไม่ยอมเชื่อกรำนั่นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ไม่ได้เข้าใครออกใครทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วผลต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ตามกรรมที่บุคคลทำถูกหรือผิดไม่ได้ลําเอียงต่อคนนั้นต่อคนนี้เพราะท่า น, นาศนาสาศนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเทีย่ยวสม่ำเสมอเป็นที่ไว้วางใจของโลกเพราะไม่ได้เข้าใครออกใครที่กล่าวมานี้กล่าวถึงเรื่องการพยายามสร้งางตนหาเครื่องป้องกงันตนเสียตั้งแต่หมัดนี้อย่าได้มีความประมาท ความประมาทคือความนอนใจนอนใจในชีวิตนอนใจในวัยนอนใจในความรู้วิชาที่ตนศึกษาเราเียนมาวบบสูงบ้างต่ําบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุให้นอนใจนอนใจในความมั่งคั่งสมบูรณ์นอนใจในความที่ตนมีความสุขค่ากับว่าจะไม่มีความทุกข์มาเรียบปนเลยในเวลาเช่นนั้นแต่การต่อไปนั้นมันแทนที่กันได้เช่นเดียวกับร้อนหรือหนาวสวมกันสวมลอยกันได้พอฉากหนึ่งเปลี่ยนไปฉากหนึ่งก็างมาเมื่อนับ ผ่านไปร่อนก็นมาทุกผ่านไปทุกก็ต้องมาแทนที่เพราะตัวของเราแต่ละคนละคนหรือใจของเราแต่ละดวงละดวงนี้มันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึง่งจะอยู่ว่างๆโดยมากอยู่ไม่ได้เพราะเวทนาของใจที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีอยู่เสมอนเนื่องจากกรรมที่ตนสร้างยังมีใจที่เป็นเจ้าของแห่งกรรมจึงต้องรับผิดชอบนอกจากว่าตนจะสลัดปัดทิ้ง สิ่งที่เป็นเชื่อแห่งกรรมหมดจากใจแล้วนั่นก็เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปต่านั้นผลที่จะสามารถเข้าแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้่ีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมความลงแล้วเรียกว่าปัญญาการคร่ค่วนเพื่อหาหลักอันดีให้เราเนะ เป็นทำเครื่องป้องกันตัวเมื่อเราสะแสวงหามาได้มากน้อยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราในปัจจุบันนี้เราก็เย็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราได้สร้างสมไว้จนเป็นที่พอใจแล้วและโลกหน้าใครเล่าจะเป็นผู้ไปเป็นเจ้าของและไปเสวยความดีที่ผลสร้างก็คือเรานี่หลเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคิดไปถึงโลกหน้าวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วด้วยความดีของตนที่สร้งางไว้หรือว่าเพราะเรามีทำเครื่องป้องกันตัวเองกล่าวถึงเรื่องปัญญาปัญญาขั้นที่กล่าวมานี้เป็นตัญญาขั้นเริ่มต้นให้เราได้เกิดความสนใจ ต่อภูษณ์ลธรรมหรือต่อที่พึงหนักแน่นเข้าไปที่พึงของจักรอัญญาคณละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นยังมีสาหรับผู้ทีน่นีหน้าที่ปฏิบัติและได้พิพจิตรณาสิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเป็นประจํำใจแล้วก็ยิ่งมีข้อหนักแน่นหรือมีความละเอียดแยกคายในการ พ, พิจารณาเข้าไปถึงหนักความปินธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสลายลงไปก็เป็นความปินอันหนึ่ง จิตที่เป็นเจ้าของภพของชาติก็อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่มีปาชาอยู่ทุกแห่งทุกผลล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงนี้ไปหอบนิ่วเอาเรื่องถาดเรื่องขันขึ้นมากลายเป็นป่าชาิจิตก็จะได้พิจารณาถึงโทษของตัวเองลาแบกภาระไม่ยอมปกดต่อยหรือเกิดเรื่องไม่มีวันชำระคันเสร็จสิ้นลงได้เรื่องที่สาคัญก็คือเรื่องของใจ ทงโกเขาเวลาเกิดเรื่องเกิราวเขายังมีผู้ใหญ่บ้านมีคำนันคำนะเป็นเรื่องๆไปออกจากนั้นถ้าไม่ยอมลงกันได้ก็เข้าถึงอำเภออำเภอไกรเตียยังไม่ยอมก็ขึ้นศาลศาลต้นยังไม่ยอมขึ้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ยอมขึ้นศาลดีกาเป็นลำดับผลสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยกัน จะเลยไปไม่ได้หรือจะขอให้พระมอะไรตอนนี้อธิบายไม่ถูกเพราะไม่คอยศึกษาอะไรเรียกว่าดีกาก็ไม่เลยไปอีกจากนั้นแล้วต้องยุติใครจะแพ้ใครจะชนะเรื่องราจะถึงไหนก็ยุติกันลงที่นั่นถ้าโทษควรกระหารชีวิตก็ต้องกระหารถ้าโทษจะตลอดชีวิตก็ต้องยุติกันลงที่นั่นตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะฝืนไปอีกไม่ได้มีทางยุติกันถ้าเป็นคู่ความระหว่างคู่ความกันอย่างนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็ต้องแพ้แต่ชนะมีทางยุติกันได้ด้วยการตัดสินเรากับเรื่องของเราที่คิดที่ปรุงที่ก่อเรื่องเสร็จตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสิน นอกจากปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีชั่วของตัวที่คิดขึ้นก่อเรื่องจากตัวเองส่วนไหนหนักส่วนไหนเมาส่วนไหนดีส่วนไหนชั่วเราต้องวินิจฉัยตัวเองให้รู้ชัดมีก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่พอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติในทำคันละเอียดเรื่องของสังขารที่ตุงขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําหรับเราผู้ปฏิบัติจะต้องวินิจฉัยให้เห็นเหตุเห็นผลของเรื่องแต่ละเรื่องทุกๆุกเรื่องไปทัญญาหมายอะไรบ้าง สังขานปรุงเรื่องอะไรบ้างธรรมดาปรุงเรื่องต้องมีเรื่องถ้าไม่แก้เรื่องเรื่องไม่สงบต้องแก้เรื่องเสมอเมื่อแก้ไปก็เรื่องก็สงบไปสงบไปเป็นลำนับลำดับเรื่องมันมาจากที่ไห น, นย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุของเรื่องคือใจนั่นเนยผู้สร้างกรรมคือใจ ผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือใจผู้แก้แก้ภพแก้ชาติแก้กรรมของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนั้นแก้ลงไปที่นั่นพิจารณาลงไปที่นั่นบางที่เคยได้อธิบายผ่านมาหลายแท่งแจนสามารถรู้ทั้งความคิดความปรุงรู้ทั้งฐานที่เกิดแห่งความคิดความปรุงของกัน ได้จากตัวของใ จ, จเสฉว่งมีอะไรเป็นเครื่องถักดันให้คิดให้ปรุงให้กอ่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเสมอและให้หลงรักหลงชังในความคิดความเห็นของตัวเองนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับอะไรกับสิ่งภายนอกอีกปัญญาสามารถแ ย, ยกแยะลงไปได้เป็นลำดับลำับจนถึงนาแกแท้ของจิต รากแก้วของอิฐไากแก้แต่ธรรมชาติที่รวมอารมณ์ทั้งหลายไว้เหลือแต่ความที่ตนเข้าใจว่าสะอาดคองใสเต็มที่ระชั่วแล้วยังดีก็ถูกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนลงไป ไม่ให้เอาเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นปัญญาจึงจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่หากว่าเอาเราเข้าไปไว้ในจุดนั่นแล้วปัญญาจะไม่สามารถเพราะสงวนตนจึงปล่อยสภาพที่ปรากฏนั้นให้เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปทั้งส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอยีย พิจารณาสภาพนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วๆไปปัญญาก็มีทางที่จะพิจารณาได้อย่างเต็มที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนและขาดหลุดลอยไปจากใจอย่างเด่นชัดไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่แล้วชื่อว่าพบก็คือธรรมชาติที่ปรากฏตยูนี้แต่ได้สลายลงไปแล้ว เหลือแต่ธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นค่าศึกของใจได้ดับไปหมดแล้วธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับลงไปนั่นแหละไม่ดับด้วยคู่ไม่ดับด้วยนี่เลยจะว่าบริสุทธิ์ก็คือคู่นี้ ไม่มีผู้ใดผู้ใดผู้อื่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากผู้ที่หลงนี้เท่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ความหลงได้สลายจากตัวเองไปแล้วด้วยอํานาจของปัญญาซึ่งเกิดกับตัวเองแก้ไขกั น, นีผู้นี้ก็หมดเรื่องเรื่องก่อกรรมทําเข็ญต่อไปอีกนั่นก็หมดกันเรื่องชําระถ้อยความต่างๆหนา้าๆที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็หมด ยุติธรรลงในเวลานะ่ะมีเรียกว่าสารสุดยอดแห่งภพหรือแห่งใจโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดนี้ตัดสินกันในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดทางที่จะอุทธรต่อกันไปกิเลส จ, จะมาอุทธรอีกก็ไ ม, ม่มีกิเลสตัวใดจะมีชีวิตเหลืออยู่ภายใ น, ในใจิตใจให้มาอุทธรปัญญาที่แก้กิเลส ก็เป็นอันว่าผ่านไปเช่นเดียวกันกับที่เหล็กมีที่เรียกหลัหมากเช่นเดียวกับทางไปสู่จุดที่ตนต้องการหรือบันไดที่ขึ้นมาบนบ้านบนศาลาเราเราก้าวขึ้นมาตามบันไดเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาจะมีอยู่ก็สักยอาบันได ก็ทราบครับแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกันกับบันไดปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่จะถือเราว่าเป็นปัญญาไม่ถือปัญญาว่าเป็นเราไม่ได้ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ได้ถือสมาธิเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นสมาธิไม่ถือเราว่าเป็นศีลไม่ถือศีลว่าเป็นเรา ชราบชัดว่าเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องเจาเป็นทําเครื่องป้องกันหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นค่าศิกเมื่อค่าศึกได้ดับลงไปหมดแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพและใช้ให้เป็นประโยชน์สําหรับโลกต่ อ, ต อ, ตอไปก็ต้องใช้ปัญญาเหล่านี้แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นตนนี่ฉะนั้นที่นิว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้น ไม่ใช่ธรรมชาติที่เบิจิตแต่เป็นทางก้าวไทุกดับไปก็รู้ดับไปด้วยอุบายใดอุบายนั้นแหลคือปัญญาทุกเกิดขึ้นมาท้อเหตุใดเหตุที่ให้ทุกเกิดนั้นแหลคือสมุทัยได้ดับไปแล้วด้วยปัญญาเป็นชั้นๆของกิเลสและปัญญาที่แก่กัิริยาที่ดับไปนั้นถ้าเรียกว่า น, นี้แล้วเมื่อ สิ่งที่เป็นค่าสุดคือกิเลสดับไปแล้วผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจจะทั้งสีนี้แต่เป็นสภาพอันหนึ่งจากสัจจะทั้งสี้ผู้นี้แหละดูในทรามกลางแห่งสัจจะทั้งสีแต่ไม่ใช่สัจจะนี่แหละเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่เรียกก็ไม่เป็นปัญหาใด เพราะเป็นความพอตัวอยู่แล้วในหลักธรรมชาติไม่จําเป็นจะต้องเอาอะไรไปเสริมและประเยียบย่ำจะผิดความพอตัวของธรรมชาตินะั่นในกล่าวถึงทำโรค ก, กระบาลหรือทำเครื่องป้องกอันตัป้องกันสําหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นโรค ก, กระบาลรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นชั้นชันจนถึงขั้นสมบูรณ์ภายในตัว ที่กล่ามาทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสวัสดตาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไม่ได้โดยรำพึงแล้วแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถขาดเอื่อมบําเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมของพระเจ้าแต่ถึงขั้นบริสุทธิ์ท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นที่กล่าวมากของโลกทั้งสามได้เลยธรรมะจะไม่เป็นของประเสริฐอย่างไรล่อกแก้โลกให้ หมดเด่นหมดไยัยไปเป็นทั่นๆจ น, นถึงหมดไปเสียจริงๆได้ก็ด้วยอํานาจแห่งธรรมนั้นขอท่านทุกๆท่านที่เป็นลูกศิษย์พระทาคตรปรากฏตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สุสามมณีในเทิดทูลหลักธรรมของพระพุทธกจ้าด้วยการประฤติปฏิบัติของตนจะเป็นอันว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในวาารแห่งธรรมนี้จึงขออานาจยิ่งพระเสือกกระสนาใจพระทรี่บาลขึ้นรอด ทุกๆทังให้มีความสะดวกในการกปฏิบัติกาำจัดสิ่งที่เป็นข้าวุ่ทั้งภายอกและภายนอกให้ถึงแดนของความปลอเสปร่งโดยทั่ว